ศีลนี่เป็นจารณะนะจรณะก็คือเป็นเท้านะเพราะเป็นคุณที่พึงเห็นเสมอด้วยจารณะก็เท้านั่นแหละเรียกว่าจารณะศีลเนี่ยเหมือนกับเท้าเหมือนอย่างว่าอภิสังขารคือการไปสู่ทิศย่อมไม่เกิดแก่คนเท้าด้วนเท้าด้วนอนะ่ะแบบแบบไม่มีรถเข็นไม่มีอะไรเลยนะดื้อๆเนี่ยขากุดทั้งสองข้างเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้แต่ว่าอาการที่จะไปไหนก็ได้แก่มีแก่ผู้เท้าบริบูรณ์ฉันใด การไปแห่งยาณเพื่อบรรลุนิพพานย่อมไม่สําเร็จแก่ผู้ที่มีศีลขาดมีศีลด่างพร้อยมีศีลไม่สมบูรณ์ฉันนั้นเนี่ย น, นะเดินทางไปสู่นิพพานไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะศีลเนี่ยจึงเป็นเหมือนเท้าจริงๆถ้าเท้าขาดก็เท่ากับคนศีลไม่มีนั่นเองศีลไม่มีก็พอกับเท้าขาดท่านจะไปไหนไม่ได้เนี่ย น, นะแต่ น, นี้บางคนก็อาศัยเกิดในสมัยใหม่ก็เลยทงบอกว่าเอาก็ไปรถเข็นซะสิอย่างั้นเนี่ยนะไม่ได้หรอกเนี่ย น, นะ บางคนก็ถึงกระจ้วงจาบคําสอนอย่าเป็นอย่างนั้นเลยการปฏิเสธศีลก็เท่ากับปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งในสามเลยนะถ้าปฏิเสธศีลก็เท่ากับปฏิเสธปิดกที่เหลือด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, ะ น, น อ, อืก็ลองดูนะว่างั้นลองเข็นดูลองเข็นรถขึ้นเขาดูเถอะว่างั้นอน่วินัยปีดกนี่แหละ แต่การไต่แห่งยาณเพื่อบรรลุนิพพานย่อมสําเร็จแก่ผู้มีศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่บริบูรณ์ น, นะก็ลองศีลไม่ดีดูเถอดเนี่ยนะฆ่าสัตว์เสร็จแล้วเจริญวิปัสนาดูเขาได้ไม่ล่ะครับฆ่าสัตว์เสร็จเจริญวิปัสนาเนี่ยนะไปรักของของคนอื่นเสร็จก็มาเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยนะสมถาวิปัสนาตามพระไตรปิฎกเนะียวิปัสสมถวิปัสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าศีลไม่ดีเจริญไม่ได้ แต่ถ้าสมถาวิปัสนาของครูอาจารย์สมัยใหม่ทําได้แต่ว่าสมถาวิปัสนาของครูอาจารย์สมัยใหม่เนี่ยนะไม่รู้พาไปไหนนะดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่สวรรค์ก็ไดนะ้เพราะพระ อ, องค์ตรัสว่าคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรชาณถ้าศีลไม่ดีแล้วเจริญสมถาวิปัสนาได้เนี่ยนะก็แสดงว่าสมถาวิปัสนานั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็รักษาคติให้ดีนะ เพราะทิฐิตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างอันตรายเนี่ยนะก็คติสองของของมิจฉาทิฐิก็คือนรกกับเดรฉานอันเราก็ต้องตรวจสอบเนี่ยนะเราก็ต้องมีกรรมสกตาสิ่งที่เราปฏิบัติจะไปดีไปไม่ดีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราดังนั้นเราจะเจริญก็จะปฏิบัติก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตั้งจิตเอาไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าไม่มีคุกใดที่จะยิ่งใหญ่ออกยากหลุดยากกว้างขวางเหมือนนรกกับ เดราชาเนี่ยนะถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยยากที่จะออกเคยเห็นยุงมาร่วมกันให้ทานไหมล่ะเนยุงมาบริจาคทานเนี่ยเลือบมาบริจาคทานมีไหมมีเห็นไหมมีแต่มาเอาทานมีแต่มารับทานอย่างเดียวนะเห็นไหมมารับทานเนี่ยถ้ารับผิดที่ก็ตายอ่ะเห็นไหมนะแล้วก็ศีเนี่ยชื่อว่าสัญญะเนี่ยนะเพราะความสำรวมศีลชื่อว่าสังวระพราะระวังหรือปิดกัน้น เพราะฉะนั้นศีนชื่อว่าสังยมะสังวระเนี่ยนะสังยมะเพราะว่าสำรวมก็คื อ, อยังบุคคลผู้ดิ้นรนก้าวล่วงให้สำรวมหรือไม่ให้บุคคลนั้นดิ้นรนหรือก้าวล่วงนะไม่ให้ก้าวล่วงไม่ให้ล่วงละเมิดนะนะชื่อว่าสังวรก็เพราะปิดทวารปิดทวารแห่งการก้าวล่วงปิดทวารกายวาจาไม่ให้ก้าวล่วงสิ่งที่มีทุกข์สิ่งที่มีโทษศีนเนี่ยชื่อว่าสูงสุดเพราะเป็นประมุขเหมือนอย่างว่าอาหารสี่สอย่างของสัตว์ทั้งหลาย ทางเข้าปากเนี่ยนะแพร่ไปยังอวัยวะต่างๆชั้นใดอาหารนะถ้าพูดแบบชาวโลวกทั่วๆไปก็ต้องทวะผ่านทวานปากทวานลิ้นเนี่ยนะชั้นใดแม้พโยคาวจรก็ฉันนั้นเข้าสู่กุศลธรรมอันเป็นไปในภูมิสีปากคือศีลเนี่ยยังความสำเร็จประโยชน์ให้ถึงพร้อมศีลเหมือนปากเลยนะอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยศีลเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ากับปากถ้าปากเสียล่ะถ้าปากเน่าปากบวมปากเป็นแผลเนี่ยนะ หรือฟันเสียนยีคือก็ฟันก็นับเนื่องในปากทั้งหมดนั่นแหละพลัน mm hmm. ก, ก็เสียหายหมดแหละปากเนี่ยสำคัญต่อการสุขภาพอะ น, นี่ยันใดเนี่ยศีนก็เหมือนกันเนี่ยนะที่มีผลสําคัญต่อสมถะพิปัสนาฉันนั้นศีนเนี่ยพึงทราบว่าเป็นประมุกเป็นหัวหน้าเป็นสภาพถึงก่อนเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นประธานเพื่อประโยชน์แก่การได้เฉพาะกุศลธรรมอันเป็นไปในภูมิศี นะแม้แต่กามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอารูปาวจรกุศลเนี่ยถ้าศีลไม่ดีแล้วหวังยากคำว่าหวังยากเนี่ยพูดเผื่อไปกันจริงๆอะหวังไม่ได้เลยไม่ต้องหวังก็ได้นะว่าให้ตรงๆเลยนะอันศีลเนี่ยจึงเป็นสำคัญมากที่ภาษาริบท่านนิเทศขยายอธิบายว่าศีลเนี่ย เป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสัมรวมเป็นความระวังหรือปิดบาปเนี่ยนะเป็นปากอ่ะเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าอาธิศีลศิกขาส่วนอธิจิตศิกขาเป็นฉนภะิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่อันปฐมฌานก็เป็นอธิศีลอธิจิตศิกขา อทุเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปจึงบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นทุติยชาญก็ชื่อว่าอธิจิตตสิกขาเหมือนกันเพราะปีติสิ้นไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตัติยชาญที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนะนะอั น, นตติยะฌานก็เป็นอธิจิตตสิกขาเหมือนกันเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมณัตก่อนๆได้บรรลุ จ, จตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะบรรลุจตุทชฌานก็เป็นอธิจิตตสิกขาพรรลุอธิจิตตสิกขาตรงนี้ก็คือปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตานัติยฌานจตุทชฌาน ก็เน้นฌานที่เป็นบาตของวิปัสสนานะจึงเรียกอธิจิตตสิกขาไม่ใช่ว่าไปถึงฌานอย่างนี้แล้วก็นึกว่าได้ดิบได้ดีไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แต่หมายถึงอาศัยฌานเหล่านี้เป็นบาตเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งแห่งการอบรมอธิปัญญาสิกขาต่อไป อ, อธิปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นไนภิกูจในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดและความดับอันประเสริฐชำแรล ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นะปัญญาที่รู้ความเกิดก็คือรู้ความเกิดแห่งขันห้าโดยอาการ25้าเนี่ยนะรู้ความเสื่อมแห่งหรือความดับแห่งขันห้าโดยอาการ25้าพูดง่ายๆก็คือว่าขันห้าที่เกิดในภพต่างๆเนี่ยเกิดเพราะเหตุ25หเนะนะเช่นเกิดมนุษย์เนี่ยนะก็เพราะอาวิชชาตันหากำเนี่ยนะจึงทำให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะอาหารนี่แหละรูปประขันจึงเจริญเติบโต เพราะภาษานั่นแหละจึงจะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารขันเพราะมีนามรูปนั่นแหละจึงมีวิญญาณขันเพราะฉะนั้นรูปประขันเกิดโดยอาการ5เวทนาขันก็สัญญาขันสังขารขันก็เกิดโดยอาการ5วิญญาณขันก็เกิดโดยอาการ5้นั้นขันห้าคูณเหตุ5ก็เป็นได้25้านะคือตัวปัจจัยที่ทําให้เกิดขันเนี่ยห้าคูณสี่ก็20นะ ก็คือยี่สบนั่นเองแต่นิ่พัติลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คนละอย่างไปแต่โดยปัจจัยนี่มียี่สิบเนี่ยนะโดยขณะก็มีห้าส่วนความดับเนี่ยนะถ้าจะดับวัตตะหรือดับขันห้าในภพทั้งปวงได้ก็ต้องดับอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับภาษะแล้วก็ดับนามรูปเนี่ยนะถ้าดับพวกนี้ได้ก็ดับขันห้าได้ะแต่ขันห้าที่เกิดในภพทั้งปวงก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ดับเหตุดับปัจจัยเนี่ยนะ ขันห้าก็ยังงอกงามต่อไปไม่มีสิ้นสุดนั่นเองอันผู้ที่มีปัญญาก็คือรู้ความเกิดเพื่อจะละอุเฉชทิฏฐิรู้ความดับเพื่อละสัสตตาทิฏฐิไอการรู้ความเกิดเนี่ยนะก็รู้ความเกิดแล้วก็รู้ความเสื่อมก็รู้ว่าถึงสิ่งเหล่านี้จากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปอันนี้คือความไม่เที่ยงไอสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดไปตามปัจจัยถ้าดับปัจจัยก็สิ่งเหล่านั้นก็ดับอันนี้ก็รู้ความเป็นอนัตตาพันถ้าอบรมพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนคู่ควรแก่ความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมเพราคลายกำหนัดก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกเนี่ยนะรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกขสมุทยัยรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกขนิโรธ รู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกข์นี้โรทคามินีปฏิปทาก็คือแทงตลอดอริยสัจนั่นเองอันปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แหละเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็อธิปัญญาสิกขาก็เริ่มเป็นตั้งแต่เนี่ยอบรมปัญญาพิจารณาเหตุเกิดความดับนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจนแทงตลอดอริยสัจสี่อย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญทธิปัญญาสิกขา ท, ทีนี้เมื่อผู้มีปัญญาอบรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะหรือเจริญปัญญาไปายอย่างนี้แล้วก็ต้องสอบตัวเองได้ด้วยนะรู้ว่าอนี้อาสะวะนี้เหตุเกิดแห่งอาสะวะนี้ความดับแห่งอาสะวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะทั้นประเด็นที่สําคัญจะต้องรู้จักกิเลส ด, ด้วยว่านี้กิเลสนะกิเลสมันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงดับกิเลสอันเนี้สําคัญมากไม่ใช่ว่าปฏิบัติตายปฏิบัติมาไม่รู้จักกิเลสแลยกิเลสอ้วนเอาอ้วนเอาไม่ใช่อย่างนั้น เระฉะนนที่สาคัญจะต้องรู้จักกิเลสรู้จักเหตุเกิดของกิเลสรู้จักความดับของกิเลสรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกิเลสอันนั้นน่ยจริงจะสําคัญทีนี้ในสิกขาทั้ง3ประการเหล่านี้เนี่ยนะสำหรับสัตว์ผู้เกิดมาเนี่ยนะเกิดมาอย่างนี้เมื่อนึกถึงสิกขาทั้งสามนะนึกถึงเพื่อนึกถึงให้สิกขาเนี่ยบริบูรณ์นึกถึงเพื่อให้สิกขาเหล่านี้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอาวัชชนะนะ นึกถึงเออเนี่ยศีลนะนึกถึงวันนี้อธิจิตตศิขานะนี้อธิปัญญาศิกขานะก็ต้องมันนึกบ่อยๆนึกเพื่ออะไรนึกเพื่อให้ศิกขาแต่ละอย่างเนี่ยบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อนึกอย่างนี้ก็จะก็จะรู้ว่ารู้ว่านี้ศีลสิกศิขานี่นะนึกถึงศีลสิกศิขาบ่อยๆจะรู้เออนี่ศีลมันเป็นอย่างนี้เมื่อนึกบ่อยๆก็จะรู้อันนี้อธิจิตตศิขาเป็นอย่างนี้ เมื่อนึกอย่างนี้บ่อยๆก็จะรู้เออเนี่ยที่ปัญญาสิกขาเมื่อนึกอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะก็จะเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นเนี่ยนะก็คือเห็นอยู่บ่อยๆเห็นมากๆเห็นไม่เลิกไม่ราเหมืนเมื่อเห็นอย่างนี้ก็พิจารณาพิจารณาตามที่เห็นแล้วนะพิจารณาอย่างไงพิจารณาเพื่ออธิษฐานจิตอธิษฐานจิตอ่ะไม่ให้สิกขาแต่ละอย่างให้เสื่อม ศึกษาอนะอธิฐานให้ศิษยาเหล่านั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอ่ะน้อมไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อ น, นึกอย่างนี้ก็น้อมใจไปด้วยศรัทธาเนี่ยนะน้อมใจด้วยศรัทธาเพื่อที่จะรู้โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการประคองความเพียรเพื่อจะมีสัมมปทานสีประการเนี่ยนะตั้งสติไว้เพื่อจะอบรมสติประธานสี่ตั้งจิตไว้เพื่อจะดํารงมั่นอยู่ในฌานสีรู้ชัดเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาเพื่อจะแทงตลอด อริยสัจสี่เนี่ยนะเมื่อทรรมกิจอย่างนี้ก็จะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะทุกขอริยสรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจทั้งสี่ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งหรือรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาเนี่ยนะน้อมไปรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาว่านี้ขันอายตนาธาตุนี้ปัจจัยแห่งขันอายตนาธาตุ น, นะเมื่อรู้ว่าเป็นขันอายตนาธาตุก็จะกาหนดรู้คือทำปริญญา พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีอ่ะนะซึ่งจะมีกล่าวไปข้างในเพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดรู้พิจารณารู้อย่างนี้บ่อยๆก็จะละวิปลาสละความสําคัญว่าขันห้าเที่ยงละความสําคัญว่าขันห้าเป็นสุขละความสําคัญว่าขันห้างามละความสําคัญผิดว่าขันห้าเป็นอัตตาแล้วก็น้อมเพื่อเบื่อหน่ายเนี่ยนะ นั้นก็จะเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่ควรเจริญเมื่อเจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปอริยมรรคก็เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็จ ะ, ะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งคืออริยผลเนี่ยนะและก็พระนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติอย่างเงี้ยพึงศึกษาพึงประพฤติเอื้อเฟื้อพึงประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานปฏิบัติอย่างนี้แหละอันนี้แหละเรียกว่า ตั้งใจสมาทานปฏิบัติตามสิกขาของพระพุทธสิกขาในาศาสนานี้นะพระพุทธสิกขาในาศาสนานี้ถามว่ า, าศาสนาใครก็คือาศาสนาของพระพุทธเจ้ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระสัพพันธ์อยู่ย่อไปแล้วก็คือไตรสิกขาเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอธิศีลและสิกขาก็คือวินัยปิฎกอธิจิตตสิกขาก็คือพระสุตตันตปิฎกอธิปัญญาสิกขาก็คือพระอภิธรรมปิฎกอันถ้าอบรมเจริญอธิศีลและสิกขากายวาจาก็ต้องดี เนี่ยนะอธิจิตตสิกขานิวรนเป็นต้นก็ไม่กลุ่มรวมอธิปัญญาสิกขาพิจารณาเห็นเหตุเกิดความดับสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอย่างเนี่นะอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนว่าโดยย่อดโดยสรุปก็คือสอนตรัยสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วก็ละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ก็คือในคําสอนของพระพุทธเจ้าในความเห็นก็คือเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าในความควรความชอบใจความยึดถือ ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในธรรมในวินัยในธรมน ร, พธพรมวิัยปาพจนพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้ า, า, เาเกี่ยวกับเรื่องของศิกขาเนี่ยนะในอัตถกถาอธิบายถึงอธิศีลอธิจิตอธิศิขาอธิศีอธิจิต อ, อ, อ, อ, อ, อธิปัญญาศิกขาเนี่ยนะ